ข้อขอพุทธพจน์แสดงวิธีปฏิบัติสําหรับอาณาปานาสติเบื้องแรกพึงทราบวิธีปฏิบัติตามแนวพุทธพจน์ในอาณาปานาสติสูตรมัชิมนิกายอุปริปันาตดังนี้ภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติจเจริญอย่างไรทําให้มากอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอานิสง์มากภิกษุในธรรมวินัยนี้ ขอ้อกอไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีข้อข อ, ขอนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหมายถึงเอาสติมุ่งต่อกรมฐานคือลมหายใจที่กําหนดข้อข อ, ขอเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าขอแทรกคําอธิบายสักเล็กน้อยที่ว่าไปสู่เรือนว่าง คำว่าเรือนว่างแปลจากสุญยาคารแต่ในวิสุทธิมักให้แปลว่าที่ว่างคือเท่ากับที่ว่างจากเรือนได้แก่เสนาสนะเจ็ดอย่างนอกจากป่าและโคนไม้ที่ว่าดำรงสติเฉพาะหน้าคือเท่ากับเอาสติมุ่งต่อกรรมฐานคือลมหายใจที่กาหนดและที่ว่าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านั้น อัตถกถาวินันแปลอัศสาสะว่าหายใจออกปัดสาสะว่าหายใจเข้าส่วนอัตฐกถาพระสูตรแปลกลับกันอัศสาส่าว่าหายใจเข้าปัดสาสะว่าหายใจออกท่านที่ชอบแนวพระสูตรพึงเปลี่ยนเป็นว่าเธอมีสติหายใจเข้าเธอมีสติหายใจออกในที่นี้แปลไปตามนิยมในเมืองไทยคือตามอัตกถาวิไนคือแปลว่า เธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าจากนั้นขอจัดพุทธพจน์ ท, ที่แสดงวิธีเจริญอาณาปานาสติออกเป็นสี่หมวดหมวดละสี่ข้อดังนี้หมวดสี่ที่หนึ่งใช้บำเพ็ญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ 1. เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว 2เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสาสำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจออกสำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจเข้าสี่สำเนียกว่าจักเป็นผู้ระงับกายสังขาร หายใจออกสาเนียกว่าจักเป็นผู้ระงรับกายสังขารหายใจเข้าหมวด4ี่ที่2ใช้บำเพ็ญเวทานานุปัสนาสติปัฏฐานได้ 5. สําเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชาติปีติหายใจออกสาเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชาติปีติหายใจเข้า 6. สําเนียกว่า จักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุขหายใจออกสำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุขหายใจเข้าเจดสำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตตสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้า 8. สำเนียกว่าจักเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจออกสำเนีกว่า จักเป็นผู้ระ ง, งับจิตสังขารหายใจเข้าหมวด4ที่สใช้บำเพ็ญจิตตานุบัสสนาสติปัฏฐานได้ 9. สําสำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตหายใจออกสำเนีกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตหายใจเข้า 10. สสำเนียกว่าจักยังจิตให้บันเทิงหายใจออก สําเนียกว่าจักยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้า11สําเนียกว่าจาักตั้งจิตมั่นหายใจออก 12. สําเนียกว่าจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้า 12. สําเนียกว่าจักเปลื่องจิตหายใจออกสําเนียกว่าจักเปลื่องจิตหายใจเข้าหมวด4ี่ที่สใช้บําเพ็ญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ สิสาำเนียวกว่าจากพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกสำเนียวกว่าจากพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า14สี่ำเนียกว่าจากพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสำเนียกว่าจากพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้า15บหาสำเนียกว่า จ, จากพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสําเนียกว่าจากพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าส6บกสําเนียกว่าจากพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้หายใจออกสําเนียกว่าจากพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้หายใจเข้าอนาปานสติครบกระบวนอย่างนี้อัตถกถาเรียกว่าโสรสะวัตุกะ อาณาปานสติกรรมฐานแปลว่าอาณาปานสติกรรมฐานมีวัตถุคือหัวข้อ16แยกออกเป็นหมวด4หรือใช้ศัพท์บาลีว่าแยกออกเป็นจตุกะสี่หมวดดังได้แสดงแล้วปราชญ์บางท่านชี้ให้สังเกตความแตกต่างระหว่างอาณาปานสติกับวิธีฝึกหัดเกี่ยวกับลมหายใจของลัทธิอื่ น, นๆเช่นการบังคับควบคุมลมหายใจของโยคะ ที่เรียกว่าปราณยามเป็นต้นว่าเป็นคนละเรื่องกันทีเดียวโดยเฉพาะว่าอานาปาณสติเป็นวิธีฝึกสติไม่ใช่ฝึกหายใจคืออาศัยลมหายใจเป็นเพียงอุปกรณ์สําหรับฝึกสติส่วนการฝึกบังคับลมหายใจนั้นบางอย่างรวมอยู่ในวิธีบําเพ็ญทุกรกิริยาที่พระพุทธเจ้าเคยทรงบําเพ็ญและละเลิกมาแล้ว มติของอัตถกถ า, ธาว่าผู้เริ่มต้นพึงปฏิบัติได้เฉพาะจตุกะแรกคือหมวด4ี่ที่หนึ่งนี้เท่านั้นส่วนจตุกะที่เหลือจากนี้ปฏิบัติได้ต่อเมื่อบรรุษฌานแล้วอันหนึ่งเฉพาะ3ามจตุกะต้นเท่านั้นใช้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาจตุกะสุดท้ายใช้ได้แต่สําหรับวิปัสสนาอย่างเดียวในที่นี้จักชี้แจงประกอบโดยย่อ เฉพาะภายในขอบเขตที่เป็นสมทถะของจตุกะแรกคือหมวดสีที่หนึ่งเท่านั้น